แก้เกลียดวิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้สึกดีขึ้นทันทีกับคนที่คุณเกลียดคือมองเขาเป็นเครื่องฝึกจิตเห็นใครเป็นเครื่องฝึกจิตได้คุณจะพบว่าเขาช่วยให้ชีวิตคุณก้าวหน้ากว่าคนทั่วไปมากความรู้สึกที่มีต่อใครสักคนไม่ได้อยู่ที่ความเป็นเขาถ่ายเดียว แต่ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณเองด้วยมองอย่างคาดหวังก็ให้ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์แบบรอความหวังหรือผิดหวังสมหวังทั้งที่เขาอาจไม่เคยอยากรับฝากความหวังให้กับคุณเลยมองอย่างเป็นเพื่อนร่วมโลกก็ให้ความรู้สึกพึ่งพาซึ่งกันและกันแบบคนที่ต้องอาศัยโลกใบเดียวกันคนหนึ่ง ทำไว้กับโลกอย่างไรอีกคนก็ได้รับผลกระทบจากความเป็นโลกอย่างนั้นมองอย่างเป็นศัตรูคู่แข่งก็ให้ความรู้สึกว่าต้องเอาชนะขะคากันทำลายกันยอมกันไม่ได้ถอยแม้แต่ก้าวเดียวไม่ได้หรือกระทั่งเป็นสุขกับการอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แต่ถ้ามองอย่างเป็นเครื่องฝึกจิต ความรู้สึกทั้งหมดจะพลิกกลับเพราะธรรมดาคนเราจะไม่คิดฝึกจิตฉะนั้นเมื่อใครบางคนกลายเป็นที่ตั้งของการฝึกหัดเมื่อพบหน้าเขาพร้อมกับความตั้งใจนั้นก็จะช่วยให้มองย้อนเข้ามาที่ตัวรู้สึกเข้ามาที่ใจรู้จักเทียบวัดเห็นจิตของตัวเองดีขึ้นหรือแย่ลงแทนที่จะขม็นมองแต่ความเป็นเขาที่คุณไม่ชอบท่าเดียว เมื่อตั้งใจฝึกคุณเลือกฝึกได้สารพัดไม่ว่าจะเป็นการฝึกควบคุมตนเองในสถานการณ์อึดอัดฝึกความฉลาดเลือกคำพูดผ่าทางตันฝึกคิดหาทางออกที่ดีที่สุดให้ทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายเขาและที่สุดอันเป็นที่สุดคือฝึกสมาธิแบบแผ่เมตตาการฝึกแผ่เมตตา เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้เข้าถึงสมาธิชั้นเลิศได้เร็วโดยไม่จำเป็นต้องสั่งสมประสบการณ์กันนานๆตั้งต้นฝึกแผ่เมตตาท่านให้ใช้ความผูกใจเกลียดนี้เองเป็นตัวตั้งโดยพิจารณาความเกลียดเหมือนโรคภัยไข้เจ็บเวลาเกลียดใครไฟโทสะจะบีบให้คุณนึกถึงแต่ความชอบทําให้เกลียดแต่ไม่เคยนึกเลยว่า จิตกำลังเป็นโรคจิตกำลังถูกย่างสดพอมีคนชี้ให้นึกคุณจะนึกออกแล้วรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าจิตกำลังป่วยกับทั้งนึกออกต่อด้วยว่าถ้าหายป่วยได้ก็ดีใจได้ว่าเราหายแล้วหรือทุเราป่วยแล้วจะได้กลับมามีกาลังวังชาเคลื่อนไหวคล่องตัว ไม่ต้องนั่งนอนตะกรันตะครอระบบเนื้อตัวอีกต่อไปความรู้สึกแบบคนหายป่วยย่อมให้ความโล่งอกและเบาใจฉันใดความรู้สึกแบบคนหายเกลียดย่อมให้ความโล่งอกและเบาใจฉันนั้นความโล่งอกและเบาใจจากภูเขาความเกลียดอันมืดทึบย่อมมีความสว่างพิเศษอยู่ในตัว ปรุงแต่งจิตให้ปลอดโปรง่งเบิกบานแผ่ผายเป็นกุศลอย่างใหญ่จึงง่ายที่จะพัฒนาเป็นจิตใหญ่ตั้งมั่นเป็นสมาธิสรุปการฝึกแผ่เมตตาเป็นขั้นขั้นได้ดังนี้ข้อที่หนึ่งระลึกว่าไม่มีใครเป็นเป้าฝึกจิตได้เหมาะเท่าคนที่คุณเกลียดและเพียงนึกได้เท่านี้ คนที่คุณเกลียดจะไม่น่ารังเกียจอีกต่อไปข้อที่สองเมื่อรู้สึกเกลียดให้ระลึกถึงอาการผิดปกติทางกายหรือทางใจเช่นหน้ามืดตามัวอกทึบใจสัน่นคิดร้อนเป็นต้นแล้วพิจารณาว่านี่เรากำลังป่วยทางจิตหรือเป็นโรคทางจิตแล้ว ข้อที่สามที่จะหายป่วยไม่ใช่ฆ่าคนที่เกลียดแต่ต้องฆ่าความเกลียดในตนและวิธีฆ่าความเกลียดที่ง่ายอย่างเหลือเชื่อก็แค่คิดถึงความโล่งใจตอนหายป่วยไม่ต้องหน้ามืดไม่ต้องตามัวไม่ต้องอกทึบไม่ต้องใจสั่นไม่ต้องคิดร้อนเหมือนอย่างที่เป็นอยู่อีกแล้วข้อที่สี่ ความปลอดโปรง่งอันเกิดจากการหายเกลียดเป็นสภาพของจิตที่มีความพิเศษมีพลังในตัวเพียงแค่จดจ่อรู้อยู่กับรสสุขสว่างโล่งจากอารมณ์เกลียดนั้นนานพอจิตก็เข้าสู่ความเป็นสมาธิได้ลิ้มรสความสุขได้ด้วยตนเองว่าเมตตาสมาธิเป็นอย่างไร ถ้าคุณอาศัยไกรเป็นเครื่องฝึกสมาธิสำเร็จรู้จักรสุปโอรานคุณจะนึกขอบคุณบุคคลอันเป็นเครื่องฝึกนั้นภาพมืดมืดของคนที่คุณเกลียดย่อมสว่างเรืองรองขึ้นในบัดดลให้ความรู้สึกแสนดีเกินคาดด้วยกระแสะเมตตาถ้าเข้มข้นจริงจะเป็นความสว่างที่ไปถึงคนอื่นได้ สัมผัสจิตบุคคลอันเป็นเป้าฝึกได้เห็นง่ายๆ่ยตอนพบกันถ้าจิตของคุณถูกกระตุ้นให้เกิดเมตตาสมาธิขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่าอารมณ์ของเขาปล่อยสว่างมีความนุ่มนวลอ่อนโยนตามไปด้วยหากคุณยังรักษาร่องอารมณ์เมตตาอันแสนสุขนั้นไว้ได้ขณะพูดจาหรือสบตากันต่อ ก็มีสิทธิ์เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้ทีเดียวแก้เคืองคนไม่ชอบคุณอย่างไร้เหตุผลเจอคนแสดงออกว่าไม่ชอบหน้าคุณอย่างชัดเจนคือความเจ็บปวดที่รบกวนจิตใจยอย่างแรงชนิดหนึ่งถ้าแค่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมใครบางคนถึงไม่ชอบคุณ คุณอาจจะยังอภัยเขาไม่ได้แต่ถ้าเข้าถึงอารมณ์อันเป็นทุกข์แบบเขาคุณจะอภัยได้อย่างไม่เหลือข้อแม้ใดๆอีกอารมณ์คนแพ้เจ็บใจคนชนะอารมณ์คนจนจิงชังคนรวยอารมณ์คนหน้าจืดลิษยาคนหน้าตาดีอารมณ์คนฉลาดอยากชิงตำแหน่งคนฉลาดกว่าอารมณ์คนเจอต่ดา ที่นึกหมัอนไส้คนเจอแต่ชมอารมณ์คนถูกทิ้งที่ข้างแขนคนทอดทิ้งอารมณ์คนหูเบาที่ถูกปั่นหัวให้เกลียดฝ่ายตรงข้ามอารมณ์คนพานที่อยากอยู่เหนือหัวทุกคนในโลกหลากหลายอารมณ์อันเป็นทุกเหล่านี้เข้าใจได้ว่ามีอยู่จริงแต่ที่จะเข้าให้ถึงก็ต้องเจอกับตัวมาก่อน หรือร่วมรู้สึกไปพร้อมกันด้วยอารมณ์อันเป็นทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคิดได้สมเหตุสมผลแค่ไหนแต่ยังขึ้นอยู่กับว่าใจมีอาการยึดกับอะไรผิดผิดเพียงใดด้วยขอเพียงคุณทบทวนว่าตัวเองก็เคยคือเคยเกลียดเคยริษยาเคยเจ็บใจอย่างไม่สมเหตุสมผล คุณจะอภัยผู้ที่ไม่ชอบคุณอย่างไร้เหตุผลได้ดุจเดียวกับให้อภัยความไม่รู้ของตนเองในวันวาน